นาฟังเทศให้จิตอยู่กับตัวไม่ต้องส่งออกไปที่ไหนให้รู้อยู่เฉพาะตัวเท่านั้นแม้แต่ผู้เทศก็ไม่ให้จิตส่งออกมากมันก็เหมือนคนไม่อยู่บ้านนั่นเองจิตส่งออกมาข้างนอกความรู้สึกภายในด้อยลงไปไม่เต็มเม็ดเต็มหนึ่งถ้าจิตอยู่กับที่ความรู้สึกภายในเต็มที่ ความสัมผัสยางทมก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการฟังธรรมก็ต้องเกิดขึ้นในขณะที่จิตของเรามีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งออกภายนอกถ้ะแสทําเข้าไปสัมผัสก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกใจย่อมมีความสงบเสียงธรรมกับเสียงโลกผิด ก, กัน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 ในลักษณะนี้วันนี้ไปงานศพท่านอาจารย์กว่าพอไปปรงุงอันนี้จังทุกขอห้าตาที่นั่นอีกทีนึ่งพอก้าวขึ้นไปสู่เมนท่านพอไปกราบเพราะมีความท่านเดสนมกับท่านอาจจะร่วมเกินท่านโดยมีเจตนาก็เป็นได้จะต้องไปกราบขอขอมาท่าน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 สงบงกงานเหมือนกับคนจะหลับแต่มือน <cas ello vivo> ั้นทํางานอยู่โดยสม่ําเสมอแสดงว่าไม่หลับแ่ทันว่างนอกนั้นถ้าลงมีลักษณะสงกแล้วมือมันตายไปแล้วแหละทันว่างอาจารย์มั่นท่านพูดโกงไปวงวานมือมันตายเจ้าของกําลังสลบทันว่างั่นคือกําลังสงบนั่นแหละว่าเจ้าของกำลังสลบแต่มือมันตายไปแล้วทันว่า ตายไปก่อนเจ้ของตลอดแต่ท่านกว่าไม่เป็นอย่างนั้นการอุปธรรมป่าเกีงมากก็ทําให้เราคิดย้อนหลังขึ้นไปเวลาท่านอุปธรรมป่าท่านอาจารย์มั่นรู้จะสมัยที่อยู่ไหนอยู่ทางท่าบ่อต่างไหนก็ไม่รู้เราลืมลืมไปเลยจากนั้นมาทั้งจิตใจัองท่านกเผไปบ้างการปฏิบัติก็เผไปในตอนหนึ่งรู้ว่าจะสึกจะอะไรไปแล้วกลับตัวได้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 สุดท้ายของชีวิตนี้มาถึงแค่นี้เดินไปไหนก็เดินเที่ยวไปไหนก็ไปแต่เวลาสุดท้ายที่จะหยุดยุติกันไม่มีความเคลื่อนไหวไปมาก็คือเวละที่ขึ้นเมนนี้ทีนี้จิตจะไม่ขึ้นเมนด้วยถ้าจิตจะไม่สิ้นจากจิตเรศอาสวะจิตจะต้องท่องเที่ยวไปอีกที่ขึ้นอยู่สู่เมนนี้มีตั้ง เพียงร่างกายเท่านั้นทําให้คิดไปมากมายเหมือนกันวันนี้แม้ไป น, นั่งอยู่นั่งกันยังเอามาเป็นอารมณ์คิดเรื่องนี้อีกทีถ้ามันทัมงผ่านแล้วเป็นอย่างนั้นมาคิดหลายเงี้ยหลายกระทงพินาถึงเรื่องมัตตาวนวนไปวนมาเกิดขึ้นมาอายุสั้นอายุยาวก่อ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 สูงก็เป็นอำนาจแห่งความดีแต่ที่ยังปรากดอยู่ก็เพราะอำนาจแห่งกิเลสเนี่ยธรรมะกิเลสกิเลสนี่จึงแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นภพใดแม้ที่สุดธรมาโลกก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะต้องไปปกครองถึงท่านสุทธาวาสก็ยังต้องปกครองอยู่สุทธาวาสคืออิหาตะปาสุทัสขาตรวสีอันิฐา เป็นท ช, ชั้นสุดทา้ายแปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ถ้าแปออกอวิหาเป็นชั้นแรกผู้ที่สาเร็จท่านนาคา ม, มีขั้นแรกหากว่าตายก็ไปเกิดในชั้นนี้อวิหานี้อัตาปาเป็นชั้นที่สองแล้วเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วก็เลื่อนขึ้นขั้นนี้เลื่อ น, น, น, นถึงขั้นนั้นถึงขั้นนั้น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 อย่างการจองจำนี่พูดตามวิถีความเป็นไปของกิเลสี่เรียกว่าวัตตน์นี่พูดไปตามวิถีแห่งกุศลที่สนับสนุนเราให้เป็นไปโดยลาดับๆจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่สร้างนี้เท่านั้นส่วนอำนาจของกิเลสที่จะให้คนเป็นอย่างนั้นไม่มีทาง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 อันใดที่เป็นค่าสึกต่อตนและผู้อื่นอันนั้นไม่ใช่ธรรมท่านเรียกว่าอะธรรมแล้วพยายามกําจัดจึงอ น, นั้นออกดําเนินตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนดังที่เราทั้งหลายได้อบรมสมาธิภาวนาหรือฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่แล้วนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่นี่คือความปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมด้วยกําลังและเจตนาดีของตนเช่นนี้ผลต้องเกิดขึ้น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 ไปดูเมนท่านวันนี้ก่ไปเห็นประชาชนมากมายกลายกองก็เกิดความสงสารนะทำให้คิดถึงเรื่องความเป็นความตายเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคิดถึงองค์ของท่านที่่านพระเจ้าพิพิบัติมาก็เป็นวาระสุดท้ายมาไหว้ที่เมนนี่เป็นอันว่าหมดความหมายทุกสิ่งทุกประการภายในร่างกาย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 สอนอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถสอนได้รู้อย่างมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถอดถอนสิ่งที่มนุษย์ทั้งหึงหวงที่สุดไม่สามารถจะถอดถอนได้พระพุทธเจ้าถอดถอนได้ทั้งนั้นแล้วเวลามาสอนโลกโลกม็มีใครที่จะสอนได้แบบพระองค์เลยนี่ผู้นี้เป็นผู้ที่น่ายึดเอาอย่างยิ่งแล้วผลที่ปรากฏจากความฉลาดแหลมคมของพระองค์ก็คือได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกสั่งสอนโลกจนกระทั่งวันปณิพานานิพันธ์แล้วก็เป็นความสุกเกษม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 ต้องอาศัยความพินิจพิจารณาอาศัยการสั่งสมหรือการค้นคว้าการพินิจพิจารณาการศึกษาโราเรียนการอบรมแล้วการค้นการคิดความฉลาดจะเกิดขึ้นโดยลํำดับลาดับไม่มีประมาณแม่น้ํามหาสมุทรจะบกว่างเท่าไรก็ต่างปัญญายังแทรกไปได้หมดกว้างยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรทั้งความโง่กับอะไรจะโง่ยิ่งกว่าจิตนี้ไม่มีถ้าจะทําให้โง่โง่จนตั้งกับตั้งกันเกิดด้วยความโง่ตายแล้วยความโง่อยู่ด้วยความโง่โง่ตลอด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 มีทุกขังหรือสุขขังอยู่ที่ตรงไหนมีอนัตตาหรืออัตตาอยู่ที่ตรงไหนคนน่ะมันเห็นเหตุเห็นผลซึ่งมันมีอยู่กับตัวด้วยกันด้วยทั้งนั้นในท่านในขันี้อนลงไปครูวิชาท่านสอนส่วนมากอยากจะว่าพูดว่าร้อยทั้งร้อยอืมรูปังอนัตตานั่งจังเลรูปังอานิจจังคําว่าอานิจจังคืออะไรมันควรเราอยู่ตลอดเวลาความอนิจังมันแปรทุกครังเหมือนกันมันควรถ้งว่าเราจะพูดทั้งแบบนักธรรมะ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 แบบด้นดานๆเฉยๆนี่ใช่ป่ะไงเพราะอะไรถึงด้านเพราะกิเลสทัณหาความมืดดำกรรมตามันทาด้านเราก็ต้องทนด้านกับมันผื่นแต่ไม่อายเว่เจ้าบ้างนี่สิสาคัญนะออเอว่ยเจ้ามีพระเมตตาสั่งสอนตระโลกให้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เปิดพวกเรายังยึดยังถืออไปเรื่อยบางคนเป็นจะแทบจะตายยังตายไปไม่ได้เวลานี้ยังมีธุระอย่างนั้นอย่างนั้นจะตายไปไม่ได้ฟังสิ จะตายไปไม่ได้อย่างไรตั้งแต่เป็นมันยังเป็นนี่ทำไมตั้งเจ็บเป็นยังเจ็บมันทําไมมันจะตายไม่ได้ไม่คิดบ้างหรืออันนี้ก็ดีนานนี่แหละความโง่ความโง่เขลาของพวกเรามันเป็นอย่างนี้เพราะจริงต้องแจ้งออกให้เห็นความโง่ของตัวเอง<ป>ด้วยสติปัญญาจากการดูวความฉลาดแหลมคมขึ้นมาธรรมฐานห้าท่านสอนถึงตะโจเป็นประโยคใหญ่มากที่เดียวอา้าวดูเข้าวผ า, าไ่เหมนเนื้อเอ็นกระดูก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 เพราะอันนี้เพราะความสำคัญอันนี้เป็นเครื่องให้หนักภายในจิตใจเพราะความเข้าใจนี้แล้วจึงปล่อยวางเดยนักแล้วก็มีความเบาภายในจิตใจนี่เป็นประโยคสำคัญในการพิจารณากรรมฐานเอาออกเป็นชิ้นเป็นอันกาหนดออกจะแบบให้มันเปื่อยพังไปเรื่อยๆเอาอาเปื่อยเปื่อยแบบเยิ้มดูไม่ได้ อะไรที่จะทําให้เกิดเป็นความขัดแย้งซึ่งมังนมีอยู่ภายในร่างกายแต่ก่อนเราไม่เคยไม่ขยันแย้งทาให้เกิดให้มีด้วยปัญญาของเราพิจารณาให้เห็นชัดเจนนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ความปลอมมันเสกเอาใครก็เสกได้ด้วยกันเท่านั้นฟังแต่บับปลอมเสกได้ทั้งนั้นมันเสกง่ายเสกปลอมติดง่ายความจริงมันไม่ค่อยอยากเสกมันไม่ค่อยอยากพิจารณาจึงไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยชอบเนี่ยไม่ชอบสิ่งที่ไม่น่าชอบ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 นี่ท่านเรียกปัญญาเอากำหนดเผาไฟลงไปได้กี่ครั้งกี่หนเราไม่ต้องไปนับครั้งนับหนเอาคาำชานานเป็นของสําคันชานานจกนกระทั่งมันปล่อยมันวางได้นอกจากนั้นมันก็เป็นสุญญากาศร่างกายทั้งเหล่านี้ที่แรกมันก็เป็นปฏิกูลพิจารณาที่แรกไม่ได้พิจารณาเลยมันก็สวยกว็า ง, งามพอพิจารณาตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเข้าไปที่เทียบกับปฏิกูล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 ลาพึงําพันกับตัวเองพอเห็นชัดเจนก็จริงๆเกิดความขยะขะแขงเกิดความสฉลดสังเวชแล้วใจเบาไม่มีอะไรจะบอกให้ถูกได้เพราะความหนักก็ได้จากความยึดความถือพอเข้าใจสิ่งนี้ชัดเจนประจักษ์ในขณะนั้นมันก็ถอนออกมาหยิดเบาโล่งไปหมดจากนั่งกำหนดลงไปทนนันทันลายลงไปแหลกเล้วไปหมดกลายเป็นดินเป็นนา้าเป็นลมไปไฟจิตปรากฏเป็น เหมือนกับอยอากาศอะไรอะไรกลายเป็นธาตุไปหมดเป็นอากาศและธาตุไปหมดจิตว่างไปหมดเลยนั่นนี่อุบายของสติปัญญาทาคนให้เป็นอย่างนี้ทําความรู้ความเห็นให้เป็นอย่างนี้ทําผลให้เกิดความสุขความสบายความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้นี่เมื่อกําหนดเข้าไป น, น, นานๆ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 มันเป็นก้อนอยู่ในจิตก้อนอวิชชาก้อนสมมติก้อนพก้อนชาติมันอยู่ที่จิตปัญญาฟาดฟันลงไปที่นั่นคําที่ว่าเงาเงาเงาหมดคำที่ว่าก้อนก้อนหม ด, มาหมดาภานในจิตไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นที่นี่ว่าอะไรความรู้ล้วนๆอันนี้ความรู้บริสุทธิ์คือซากฟอกออกหมดอันใดที่เป็นลางๆหรืเป็นเงาเงา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 พระพุทธเจ้ากับกับธรรมชาติอันนี้เป็นอันเดียวกันพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันกับธรรมชาตินี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคิด่เห็นรลักฐาคตหมายถึงเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าจะปฏิญญาานานเพียงไรก็ตามไม่สําคัญอะไรเลยเพราะนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นพระกายเรือนร่างแห่งพุทธะเท่านั้นพุทธะอันแท้จริงคือความบริสุทธิ์นั้นอันนี้เป็นฉันใดอันนั้นเป็นฉันนั้นและพระพุทธเจ้าจะสูญไปไหน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 แล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้ไงก็เมื่อธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเทียบเคียงหรือเป็นสักขิพยานกับความกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วกับพุทธะของพระองค์กับธรรมะสังกัดทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนี่เราจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ว่าไม่มีได้ไงเมื่อเราปฏิเสธธรรมชาตินี้ไม่ได้เมือ่อเราลองธรรมชาตินี้ก็รับรองพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ได้อันเดียวกัน น, นั่นถ้าจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ว่าไม่มีในโลกก็ปฏิเสธอันนี้เสียว่าไม่มีแล้วปฏิเสธได้ไหมทั้งๆที่ลู่ๆยังว่าไม่ม่่ีออยูเหนนั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 เขากันที่นั่นแต่เราไม่เห็นว่าเป็นป่าช้าถ้าเป็นเอามนุษย์ไปเผาที่ตรงไหนไปฝังตรงไหนนั่นป่าช้ากลัวกันจะตายไปสัตว์เอาขนเข้ามาในเตาไฟไม่เห็นกลัวว่าเป็นป่าช้ายิ่งสนุกสนานยิ่งไปใหญ่นี่เพราะความสำคัญมันผิดกันนั่นเองแล้วจิตมันก็ชอบทิ้งนี่แล้วมันไปคว่าหาใหม่หาใหม่เอามาขึ้นเมนเรื่อยๆจะไปขึ้นไหนก็ไม่รู้เลยถ้าธรรมชาตินี่ไ ม, ไม่ได้ บอกออกให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วความขึ้นเมรุไม่ต้องสงสัยความจองปา่าช้าจับจองป่าชาไม่ต้องสงสัยพบใดก็ตามก็คือพบแห่งป่าช้านั่นเองก่อนที่เป็นปา่าช้ามันเป็นกองทุกข์ไเท่าไหร่ป่าชาเป็นวาระสุดท้ายแห่งกองทุกข์ในชาตินั้นเราขยันนั่งเหลือในการเกิดการตายโดยหาหลักฐานไม่ได้หากฎเกณฑ์ไม่ได้หาความแน่นอนไม่ได้ถ้าเรามีความแน่นอนในการเกิดว่าต้องเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้ก็ยังพอทำเนาเพราะพบที่เราต้องการนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นความสุข อันนี้มันปรารถนาเอาไม่ได้ถ้าไม่มุ่งสร้างเหตุให้เป็นความสมหวังเสียตั้งแต่บัดนี้คือสร้างจิตสร้างใจสร้างงามความดีของเราไว้เสียตั้งแต่บัดนี้นี่คือสร้างความสมหวังไว้สำหับตนแล้วจะเป็นผู้สมหวังเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมหวังมาณสุดท้ายเป็นที่พึงพอใจอย่างเต็มที่ได้จะวิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพาอนอืีแนวาสาสก็เห็นว่าสมฆควรเอาละัุติห่ <c oughs> อมันนไปใหญ่อะไรนี่ฮะ